ความทุกข์ทำมีแต่ละคนอยู่กันคนลนะหุน่ะแหน่พ อ, อมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนะักแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์ กายเป็นบ้านแห่งกองทุกเมืองแห่งกองทุกในเมืองเต็มไปด้วยกองทุกอย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางของกองทุกคือเมื่อรวมมันเข้ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดวกภายในจิตใจ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 ส่วนมากมีแต่คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้ ง, างาทา ง, ง, งร่างกายและ จ, จิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทาง จ, จิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้าน จ, จิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนกรอกจนเงิน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 แต่และห้องละห้องมันจะเป็นห้องของคนตายหรือเป็นปัจช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปจอกแทกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลํำดับแน่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พอโร่งกนะจ่างทุกขั้นร่าตาได้แล้วซึ่งเป็นปัจช้าของสัตว์เป็มไปหมดไม่ทราบว่าเขากำมาทั้งหลงเมื่อไหร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 มีที่แน่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแง่ใดผลมันก็ทำตามกันไปถ้าเกิดความยาขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหานเกิดความดีใจเฉยใจขึ้นมาจากแน่่งความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความประมาท นในวันนี้ที่ไปแจกสินค้ ง, งเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นลหลังไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความแสมบัตไปตพร้อมกันแล้วเวลาแจกสินค้ ง, งก็โอ้น่าทุเรหน้าสูสเหน้าสูงสารหน้าสูงสารนะมาก ทีเดไม่สาบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทางเต็มไปหมดสนามกว้างกว้างจนจหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลําบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสองเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในใจิตใจทนดูไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กหรืว่าผู้ใหญ่หรืว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบันเทามันได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจร้อสมหวังเป็นเครื่องบันเทาทุกเึคืนนี้จะความหนาวแม่จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความออุ่นคนรู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมด วันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีคือเป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ในรับความขุดความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของมาใช่น้อยแากมากมายก่ายกองคนที่มานั่งก่อนรู้สึกาสมบัง้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่ือการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนานบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนนคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รบับนผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจบางลายเป็นถิน่นอำนาจตาล่วงเราที่มองเห็นแล้ว น, นี่แหละนาจแห่งการสงเคราะห์ กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้จะมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ทานห่มมนห่มมันีหมม้หาคนที่ต้องคิดถึงเจ้าของพัวมาให้เพราะคนเรามีความลึกตุ้นนะบางต่างกัน แต่อย่งก็ตามสรุปแล้วผู้รับจะมีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภ้าภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรักนะเรื่องของทานจริงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้เป็นของมีมาตั้งเดิมตั้งแต่การไหน ถามว่างดการให้ทานนเสียการเคียสละเพื่อ ก, อ า, การมีกันนเสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทําต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์เขให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขายอยู่ด้วยกันเขากินด้วยการเชี่นมุดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมนง่ามมุดลิ้นอะไรเขาขนไปไหวนูรูแล้วเขาก็กิน ด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรกมีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทานทั้งนั้นวิวิจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกั น, นเรียกว่าความเสียสละต่อกันอพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบําเพ็ญภระวรมี เพอโพธิสุภทานก็ทรงบำเท็ทางมาโดยลำหนักจนกระ่อนอิทธิศัพท์กิทธิุลของพระพระองค์นี้เวลาอาแตะสรุปเป็นพระพุทธเจา้าแล้วไปที่ไหนก็มีตัณฑ์คนสักการะบูชาทํามาให้ทานแม้คืบุคควดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องก้ไม่คง ต้องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความเมตใสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในฐานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คน ทำบุญให้ทานเกือนไปนหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอํานาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทร ง, คทรงทราบกลรรับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอํานาจแห่งทานของเราที่จะทํามาโดย ล, ำลํำดับลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้น ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยผลงานความดีทั้งหลายมีทานอมรมีเป็นต้นเพื่อใหเป็นพระพุเจ้าขึ้นมาอทั้งว่ายั้นมีการได้ทานจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยู่มากมายสําหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ นอกจากนั้นยเป็นอุปณิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่จะอยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำอสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมุ่นขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละ นอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามพู้นั้นเล่นอยดา่าขาดแทนเพราะอำนาจแห่งทานที่ทนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาตเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดนี้แต่คนถวายวัดเทอตุปปัจจัยเทอทานเต็มไปหมดตามถนนขนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกอง์ที่หนึ่ง เรื่องอัจริยกร า, ามากก็คือพระโมคคันแล้ ก, ก็คือพระศิวลีเมื่ออดีตอาการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีตาการให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อัน้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนนี้จะมั่งมีที่สุดขนาดไหนก็ไม่เคยลดล้าในการให้ทานขอจะมีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานย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 ในแง่ต่างๆเห็นความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สาเร็จเป็นประหารแล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอทิทธิเลกขล่าก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกั น, เ ป, นเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความทุกข์แต่สิ่งที่ทด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นประธานแล้วสิ่งที่ด้อยก็คือ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 ไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทําไปเองงา น, นทำอยู่มันเป็นเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นปนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นอยูกองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลา ย, ลายถ้าต่างคนต่างต่างคนต่างแยกกันไปก็ามาสู้ทาย ถ้มารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสองเลือมากขึ้นมันทั่งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองเน่ยงยกองทุกข์ไปด้วยกานเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมไมีเพียงแต่กองทุกข์นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ ครันนี้จะมีแต่กองทุกข์ทำงานพระผู้จะทําให้ตัวให้พ้นไปเยอะจากกองทุกข์ให้มีความเยื่อยืยอในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพื่อนอย่างอะไรอะไก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพื่อนวามมากความรู้ษาพยายามความอดความทนก็มากประทุมต่างกันเพราะความอยากพ้น สติปัญญาออกพยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมีความถุกบ้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉลาดหาเงนินมาได้บาทสองบาทก่อแต่พยายามเก็ออบหอมลอมมิ้ก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไป จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอแตนให้ได้ซื้อจังการปณิสัยอย่างการซื้อการตัดจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลทึงความจำเป็นเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไมน่น้าเหมือนกันอีกคนคิดเห็นเฉพาะโสสนด้อนๆไม่คิดคาดการไกลหรือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ใช้สติปัญญาก็ ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจายทรัพย์สินใดก็เห็นความันเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆและสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้คุณนี้เที่ยวเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที้เรื่องการพยายามสั่งสมภายในก็เป็นเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธาตุในขันธ์ในอุจจารขาดแคลนบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย ที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข่าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แกบุญแก่กุศลเมืม่มีกายจะมาแย่งคินหรือจด ก, กินยิ่งลาวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใข่ควรต้องพิจิตริจาและสังสมือบาบำเพ็ญ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 พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปที่ชั่วน่ะอะไรคําว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นสรางอย่างให้ไปเกิดก็คือความชั่วนะเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้ตรงนี้เราก็พยายามบาเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเรามาให้มีความประมาท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 สุนีเชื่อเป็นผู้ถากถางทนทางทั้งปัจจุบันอ น, นาคตให้ตนไม่สร้างขวามสร้างน้ําไม่ตากเสียดตนเองตัวนี้ก็มีความรื่นเริจกิธานันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเึิงเป็นนันทติและโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและลื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหนาเป็นสิ่งที่ผู้นั้น ตะพึงนันบตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอํานาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วที่อำนาจปราดทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่า น, น, นหาของดีท่านได้ของดีและก็มาแจกสารโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของสิ่ง ่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุกความจริงหรือหลักความจริงเราถ้าจะพูดจางหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโงม่กักรงในตัวของเรานีเต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มในภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหน อยู่ไปวันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปแต่ความโง่มันไม่ร่วงไปถ้าไม่แก้มันนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาอันเป็นความมืดบ่อ น, นี้ออกให้จิตใจของามีความสว่างสวายเชื่อประพธเจ้ากภู ม, มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักทำที่ว่าพุทธธงรมแทังกระฉามให้ถึงใจฝากเป็นปากตากับท่าน ธรรมังสนังคาฉามนี้เป็นธรรมะประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประพฤปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหลเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมัญเกษนี่ยสนธรัมสนังคาฉามนี้ท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินแบบท่านอันนี้เป็นผู้ยิ่พ้นทุกไปแล้วตามพระเดชพระพุทธเจ้าท่านเราก็ตาม รอยของท่านเพื่อการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภ า, ายในใจคนที่มีธรรมภ า, ายในใจที่เล็กก็กลัวไม่ใช่หรอกที่เด็ก จ, จะไม่กลัวกี่เด็กมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาทำมันหมดกี่เด็กแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีมีแต่ความเสมอภาค มีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่มีวามออย่างนั้นตลอดไปมีไม่ใช่กิเลยเป็นางานพยายามบีกเหลมขวนวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกบีเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปนในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กละน้อยโดยลาดับแล้วเอากลับกืนมาไม่ได้แล้วเมื่อ หมดไปหมดไปมันก็มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือนะมื่อไม่มีลมหายใเหลืออยู่แล้วเ้าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอย่างนั้นตายจากคุณงามความดีจะเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสมคัญก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบารุง พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในิตเนี่ยทนันมาสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมด า, าไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแนหะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาแต่เวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่จะเป็นสาระสําคัญภายใจิตใจ จะไปต่างลาบต่างฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิ้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาพยังอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นหาสมบัติทางพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู่ก็คือตัดสรู่ถึงหาสมบัติสาวกบรรลุ ก, กับบรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเรียน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกำหันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจนตัวเองกว่านับไม่จบไม่สิ้นไม่สราบว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวใคออนคอกมันไปยังไงมันวกมันเยอนมันสัตว์มันสนบุ้นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปงไก็มีแต่รอยวัวมันเต็มในครอบเพราะมันหยาบย่าไปมาเป็นแหลกไปหมดเหตุศาสรลอยไหนรอยออกลอยไหนรอยเข่าพอมอยู่ในครอบนี่นี่แหละความเกิด ความตายมันซ้ำซ้ำซากซากกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสายหยุดอย่งความเกิดความตายแล้วความซ้ำำความซ้ำซ้ำซากซานั้นก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อย่างว่าเราอย่างน่้ได้เลย จะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามเรื่องคนมีกี่เล็ก็ให้เลนมีทรมันมีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยแต่ไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภกชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่เป็นสมบัติอันําคัญ หรือเป็นเครื่องมืออันชั่งขาที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอรงมีแต่เรื่องตัดร่อนตัวเองลงโดยลําดับผลประโยชน์ที่อยู่คุณจะได้ไม่มีท่านจีสอนใหน้ละเพราะความอ่แอแรงความขี้เกียจความมาั่ง่ายมันเป็นเรื่องของจิตเดชทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียว ทำพุทธเจ้าให้บดใดบานไดก็ดีนี้ตัดสอนให้มีความพิจิตรพิจรารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็าสู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามฐายนั้นจะยากลาบากแค่ไหนก็าต า, ตามพยายามทําไปโดยลำบากนั่นแหะทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่ารอ้อนนักหนาวนัก เกียจสายนะักเช้านะดึกนะักอะไรทำไมว่ะนั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเหมือนว่าหาเรื่องนะถ้าจะไปทางที่ดีจะทําของดีจะทําความดี ม, ดมีแต่เรื่องแต่เลาสร้างขึ้นมาให้เป็นขวานเป็นหนามกั้นาาทางตัวเองไว้หมดหาทําไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนั้นแหละตอนจะนอนจมหนามไม่คิดเนี่ย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 แต่ทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะ แ, แก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตนี้อย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแกนะ้แต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระ จิต ใ, ใ, ใ, ใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระแต่เราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ลังสบายไม่มีใครมากดขีบข่บังคับเราจิต ใ, ใ, ใจที่เป็นอิสระก็ยิ่งหากผ่อสบายยิ่งกว่านี้น้อยเท่าพันทวีเปปัญหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นบน่อยใครจะต้องการเป็นท่าของใครแต่เวลาเป็นท่าผู้ที่เหลื เราไม่ค่อยจะคํานึงจึงต้องติดอยู่ในห่วงกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบาญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกแล้วต่อสู้เพื่อเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองมาต่อสู้มาหยุดม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอํานาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทําทลายแต่ก็กลายเป็นอิสระขึ้นมา ใจเป็นอิสระทั้งันอยู่ไหนมันก็สบาทั้งนั้นนม่อะไรจะสมายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมด้สอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆมาโดยลำดับลำดับทว่ากว้างกว้างทำทว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้เราเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งทั่วทั้งการทําดีทำชั่วผลดีผลทั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมด อันอนี้ว่ามโนปุพังธรรมะธรรมะทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นย่ำขันอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ดวงที่ตรงนี้ดวงจิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกแต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ปี ก, กันร่างกายมืดตื่นตามท่าอยากพองมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ่มตามาตท่าแห่งธรรม จิตกายเป็นธรรมธาตุภายในใจเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวัยภายในตัวแก้หรือถอดถอนลงทินง้รละล่างลงทิ้งหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่เหนือนามากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุนั่เอคํานึงว่าใกล้ไกลเป็นไปหรือไกลเป็นไปพอดีตลอดเวลา ด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากเปลี่ยนแล้นิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธาตสว่างกระจ่างแจ่ทั้งกลางวันกลางคืนอันทันเว่าอะโลกโกวุด ป, ปลายความสว่างกระจ่างแจ่มได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนีย่ยหนดทั้งล่างของเราหนดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดงเดยว้เท่านั้น ไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่พยายามปกื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเราจมกระทั่งสุดความสามารถพวนั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจผาอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติ สิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความบรู้สึกแห่งใจขอให้นำปัจจุบันพิจารงานการแสดงธรรมเพื่อเห็นเหมาสมควรเวลาอริติแต่งตั้นี้